เรื่องการลงอุเขปนิยกรรมที่ชอบธรเจ7กรณี399ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุมีอาบัติที่พึงเห็นสงภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านท่านต้องอาบัติแล้วเห็นอาบัตินั้นไหม ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัตที่พึงเห็นสงจึงลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตชื่อว่ากรรมชอบธรรมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุมีอาบัตที่พึงทำคืนสงภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียว โจ์ภิกษุนั้นว่าท่านท่านต้องอาบัตแล้วจงทำคืนอาบัตนั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัตที่พึงทำคืนสงจึงลงอุกเขปนียกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่ทำคืนอาบัตชื่อว่ากรรมชอบทำภิกษุทั้งหลาย อนนัในกรณีนี้ภิกษุมีทิฏฐิบาปที่พึงสลักสงภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทดภิกษุนั้นว่าท่านท่านมีทิฏฐิบาปจงสละทิฏฐิบาปนั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีทิฏฐิบาปที่พึงสละ สงจึงลงอุกเขปนียกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่สละทิฏฐิบาปชื่อว่ากรรมชอบธรรมภิกษุทั้งหลายนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุมีอาบัติที่พึงเห็นมีอาบัติที่พึงทำคืนมีอาบัติที่พึงเห็นมีทิฏฐิบาปที่พึงสละ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 จงทําคืนอาบัตินั้นท่านมีทิฏฐิบาปจงสละทิฏฐิบาปนั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัตที่พึงเห็นผมไม่มีอาบัตที่พึงทําคืนผมไม่มีทิฏฐิบาปที่พึงสละสงฆ์จึงลงอุเขปนิยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัต เพราะไม่ทำคืนอาบัตหรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาปชื่อว่ากรรมชอบธรรม